เพราะจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้อยู่ในหัวข้อชนะแล้วซึ่งปรากฏในพระธรรมลูกาบ ท, ทียี่สิบสี่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบสองความว่าแต่เช้ามืดใน ว, วันต้นสัปดาห์หญิงเหล่านั้นจึงนำเครื่องหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้งออกจากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไป ไม่ได้เห็นประสบของพระเยซูเจา้าเมื่อเขากำลังคิดจะงนนด้วยเหตุการณ์นั้นดูเถิดมีชายสองคนยืนอยู่ใกล้เขากึ้งห่มแปลวาจนพรอาตาฝ่ายผู้หญิงเหล่านั้นกลัวและทบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับเขาว่าพวกท่านาแหวงหาคนเป็นในพวกคนตายจําไหมเล่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ดองรลึกถึงคำที่พระองค์ได้ตัดกับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนบาปและต้องถูกตึงที่กางเกงและในวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่เขาจึงรลึกถึงพระดารัดของพระองค์ได้และกลับไปจากอุโมงค์แล้วบอกเกศการทั้งปวงนั้นแก่สาวกติเบตคนและคนอื่นทั้งหลายด้วย ผู้ใดบอกเหตุการณ์ น, นั้นแก่เจอาฆาตทูตคือมารีชาวมักดาลาโยนามารีพระมันดาของยากบและอิงงอื่นๆที่อยู่กับเขาฝ่ายอาฆาตทูตไม่เชื่อหรือว่าเป็นคำเลวไหลแต่เปโตรโลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเหล่านั้นแล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ตึงได้เป็นไปนั้น เป็นครัหัวข้อซึ่งผมจะขออนุญาตแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือชนะแล้วเราจะมีชัยชนะในชีวิตที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับคําคํานี้ครับว่าเราจะต้องรู้ว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูทรงชนะแล้วในโลกนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็มีการสงครามหลายอย่างมีความเข้าใจผิดหลายอย่างมีความขัดแย้งหลายอย่างที่ ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะยกอย่างเช่นกลุ่มไอซิสนะครับเมื่อส3งสมวันวันนี้พวกเราทุกคนก็คงจะตกใจเพราะว่ามีการเตือนภัยนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะทำการก่อการร้ายในประเทศยุโรปตะวันตกหลายหลายประเทศทีเดียวเราก็ยังไม่รู้ครับว่าระหว่างผู้ก่อการร้ายกับบรรดาประเทศต่างๆนั้นใครจะแพ้ใครชนะจะต้องสูญเสียคนอีกมากมายเพียงใดเราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเขาจะมาปรองดองกันรวมกันเป็นประเทศเดียวได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราเราก็ไม่รู้ว่าชายแดนภาคใต้นั้นจะสงบเมื่อไหร่ใครจะชนะใครจะแพ้พี่น้องครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการที่มีชัยชนะเหนือความตายขององค์พระเยซูคริส ซึ่งผมอยากจะเน้นย้ําในเช้าวันนี้ว่าเราจะมีชัยชนะเพราะว่าพระเยซูได้ทรงชนะแล้วเราจะมีชัยชนะตามที่พระเยซูชนะเพราะเนื่องจากว่าเราอาศัยพระคุณของพระเยซูในการที่เราจะได้รับชัยชนะในชีวิตนี้มีวัยรุ่นคนหนึ่งจากครอบครัวที่ร่ํารวยเขากําลังจะจบชั้นมัธยมเขาเห็นว่าเพื่อนๆนข้างบ้านนั้นมีรถขับนะครับเขาก็เลยไปขอคุณพ่อคุณแม่ และพ่อเขาก็บอกว่าโอเคถ้าลูกจบชั้นมัธยมได้คะแนนดีก็จะซื้อรถที่ถูกใจให้ปลาปากฏว่าลูกคนนี้ก็ทำได้สำเร็จเขาก็ได้ไปหาดูรถยนต์ที่ถูกใจด้วยกันพ่อกับลูกและสัญญาว่าจะได้รับรถนะครับคันใหม่ในวันรับประกาศเียบัตรและแล้วในคืนวันรับประกาศเียบัตรก็มาถึง พ่อของวัยรุ่นคนนี้ก็ยืน่นไม่ใช่เป็นกุญแจรถนะครับยื่นพระกัมภีใส่กล่องนะครับยื่นพระกัมภีใส่กล่องแล้วก็มอบให้กับเด็กคนนี้พี่ต้องทาบไหมครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยโกรธคุณพ่อมากแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็หนีออกจากบ้านไม่เคยกลับมาเยี่ยมคุณพ่ออีกเลยมีวันหนึ่งครับเขาได้ทราบข่าวว่า คุณพ่อเสียชีวิตตอนนี้เป็นผู้ชายโตแล้วชายคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่บ้านหลังจากที่จัดงานศพเสร็จเรียบร้อยก็ได้เข้าไปที่ห้องนอนของคุณพ่อก็ได้พบกับพระกรมัมภีร์ยังใส่กล่องอยู่ยังห่อเป็นของขวัญอยู่ก็เลยเอาพระกรมัมภี์นี้มาปัดฝุน่นแล้วก็แกะพระกัมภีร์นี้ออก เปิดพระกัมบีขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเขาพบว่าในพระกักบีนั้นมีเช็คของขวัญลงวันที่เขารับประกาศเสียบัตดในคืนวันนั้นเองที่คุณพ่อยื่นให้กับเขาและในเช็คของขวัญ น, นี้จํานวนเงินก็เท่ากับราคารถที่พวกเขาไปดูด้วยกันก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นเรื่องเล่าจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ แต่เรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าคนเรานั้นชอบเห็นของมากกว่าที่จะเชื่อใจกันเรามักจะโฟกัสอยู่ที่ของมากกว่าอยู่ที่ผู้ให้เรามักจะไม่ค่อยถือสัญญาหรือว่าเอาจริงเอาจังกับสัญญาเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีคนผิดสัญญาบ่อยๆแต่ในพรชนะของพระเจ้า เราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงองค์พระเยซูกิตเสด็จมาในโลกนี้ตามพระสัญญาตามคัมยากรของพระเจ้าและเมื่อถึงเวลากําหนดพระเจ้าก็ให้พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและเมื่อถึงเวลากําหนดอีกสามวันต่อมาพระเยซูก็ได้เป็นขึ้นเหนความตายตามพระสัญญาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับผมอยากจะให้พี่น้องมั่นใจว่า พระสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับเรานั้นไม่เคยที่จะล้มเหลวไม่มีพระสัญญาใดเลยที่ล้มเหลวพี่น้องครับพี่น้องอาจจะยึดคำสัญญาบางคำสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับพี่น้องนะนะครับแต่ผมอยากจะบอกกับสัญญาใหญ่ที่พระเจ้ามอบกับ ท, กทุกทุกท่านว่าสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์และจนกระทั่งเราจะได้รับชีวิตนิรัน นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่จะไม่ล้มเหลวเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระธสัญญาและพระองค์ไม่เคยล้มเหลวในสัญญาของพระองค์เลยแม้ว่าจะเป็นคำสัญญาที่ดูเหมือนว่าว่างเปล่าๆนะครับเป็นคำสัญญาที่ออกมาเป็นพระดำรัตของพระเจ้าแต่ให้เราโฟกัสอยู่ที่ผู้ให้คำสัญญานั้นนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นของเพราะว่าของนั้นยังมาไม่ถึง แต่เราเชื่อและเรามั่นใจว่าพระสัญญาจะเป็นจริงเพราะเหตุที่ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญาพี่น้องอาเมนไหมครับเรามีพระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญาแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระพีบอกว่าสิ่งที่ไม่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวร น, นิรันด์สิ่งที่เห็นอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะวันหนึ่งจะผ่านไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันสมสิ่งที่ดูเหมือนว่างเปล่า ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นชนะนะครับสามสิ่งที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยชัยชนะหากเราต้องการชัยชนะเราเองจะต้องมองสิ่งที่ว่างเปล่าทั้งสามสิ่งนี้นะครับอาการแรกครับเราจะเห็นกางเขนที่ว่างเปล่ากางเขนที่ว่างเปล่านั้นทำให้เราชนะแล้วซึ่งความบาปเพราะพระเยซูชนะ พระเยซูยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าในที่สุดพระองค์จะชนะความบาปในเช้าวันอีสเตอร์บรรดาผู้หญิงที่ติดตามพระเยซูเขากําลังเดินทางไปที่อุโมงค์พี่น้องลองคิดดูสภาพอีสเตอร์แรกนะครับของโลกผู้หญิงเหล่านี้เขาเดินไปที่อุโมงค์ด้วยความอะไรครับด้วยความรู้สึกอย่างไรบ้างครับด้วยความรู้สึกเศร้าหมองใช่ไหมครับ ด้วยความรู้สึกที่ว่าเมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วอยากจะชะโลมพระศพพระเยซูให้ดีกว่านี้อยากจะถูเนื้อถูตัวทําความสะอาดพระเยซูให้ดีกว่านี้แต่เนื่องจากเวลามีน้อยเหลือแค่สามชั่วโมงหลังจากบ่ายสามโมงที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนแล้วการลําเลียงพระศพของพระเยซูลงมานะครับจะต้องนําไปที่อุโมงค์และชําระพักกายของพระองค์ทําความสะอาด เลือดคราบต่างๆมีเวลาแค่สามชั่วโมงเท่านั้นเองครับเพราะว่าหกโมงเย็นชาวยิวถือว่าวันสะบาโตเริ่มเพราะฉะนั้นเขาต้องทำอะไรให้เรียบร้อยสามชั่วโมงใบหน้าที่เศร้าหมองและความปรารถนาที่อยากจะไปชฉลมพระศพพระเยซูผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีความหวังนะครับไม่เหมือนกับพวกเราพวกเราตอนเช้านะครับตื่นขึ้นมา เราเจอกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามาพบกับพระองค์พระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่ผู้หญิงในวันอีสเตอร์แรกเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกเขาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีความหวังใดๆแต่ดูเหมือนว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเยซูเคยสัญญากับพวกเขาก็กยังล้มเหล ว, วว่างเปล่า เขาอาจจะเดินผ่านภูเขาโครโคทาก็ได้นะครับแล้วก็มองไปที่กังเขนที่เนินเขาที่กังเขนเจนกังเขนอยู่สามกังเขนด้วยกันและกังเขนตรงกลางนั้นเป็นกังเขนที่พระเยซูคริสต์องค์พู้เเจ้าผู้ที่เขารักเคยถูกตรึงอยู่และบัตนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วและบัตดนี้ก็ว่างเปล่ากังเขนที่ว่างเปล่ากังเขนนี้ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆในเช้า ว, วันอาทิตย์ เราก็คงจะเห็นถึงความน่าสะพร่งกลัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ตรงกลางของกางเขนนะครับตรงกลางของกางเขนก็จะเป็นที่วางพระเศียนของพระองค์คงจะเห็นคราบเลือดคราบของพระโลหิตของพระเยซูที่ได้แปดเปื้อนไหลอ ย, อยู่บนไม้กางเขนและแห้งกรังเพราะเหตุที่ว่า ศีรษะของพระองค์นั้นถูกน้ำนะครับที่สวมเป็นมงกุฎสวมที่ศีรษะของพระองค์ที่บริเวณปลายทั้งสองข้างของไม้กางเขนคงจะเห็นคราบพระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลั่งไหลออกที่ตรงบริเวณส่วนล่างของกางเขนนั้นก็จะเห็นคราบของน้ำและพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ไหลออกขณะที่ทหารลมเอา ทวนเอาหอกแทงพระเยซูกังเขนที่เคยใช้ตรึงพระเยซูบัดนี้ว่างเปล่าเห็นแต่คราบของพระโลหิตของพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทรงสิ้นพระชนจริงๆแล้วถูกนำไปอยู่ในอุโมงพระเยซูไม่ได้สลบไปหรือพระเยซูไม่ได้ หมดสติไปชั่วคราวแต่พระเยซูทรงสิ้นพระชนจริงๆสาวกรู้คุณแม่ของพระองค์รู้ทหารรู้คนที่ตึงพระเยซูรู้ทุกคนรู้หมดกางเขนที่ว่างเปล่าเมื่อมองเข้าไปทีกางเขนที่ว่างเปล่าเราจะเห็นชัยชนะชัยชนะที่เกิดจากความรักชัยชนะที่เกิดจากความเสียสละพระชนชีพของพระเยซู ชัยชนะที่เกิดจากคราบพระโลหิตของพระเยซูของพระองค์ชัยชนะที่เกิดจากการเข้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในวันคริสต์มาสชัยชนะที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดได้เสด็จมาในโลกนี้ถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงความบรณาแม้กระทั่งความบรณาที่กางเขนชัยชนะที่พระองค์ผู้สูงสุดได้สิ้นพระชน เพื่อเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคนบาปเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเปเยซูทรงเป็นของประธานนิรันท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์จากพระเจ้าพระบิดาทำให้เราทั้งหลายไม่ต้องจ่ายราคาค่างวดหรือจ่ายค่าจ้างของความบาปก็คือความตายพี่น้องที่รักเมื่อเรามองกังเขนที่ว่างเปล่าผมจะถามว่า กังเขนี้เติมเต็มหัวใจของเราหรือเปล่าครับกังเขนี้เติมเต็มหัวใจดวงเล็กๆของเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เบียซูจ่ายด้วยค่าไถชีวิตของพระองค์เพื่อให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าเพื่อให้เราเป็นลูกขอ ง, รงพระองค์เพลงนบัสการ ได้ทำให้เรารู้ถึงสภาพของไม้ยังเขนว่าเป็นไม้ยังเขนโบราณ 2,000 ปีมาแล้วแต่ไม้ยังเขนนี้ยังว่างเปล่าอยู่ในหัวใจของเราทั้งหลายทุกคนบนการเข่งที่ว่างเปล่าเราเห็นอะไรอีกครับนอกจากความรักเรายังเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเราเห็นแผนการของพระองค์สำเร็จนับตั้งแต่อาดัมทำบาป แผนการของพระเจ้าได้ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้พระมีบอกว่าแผนการของพระเจ้าในเรื่องของความรอดถูกวางไว้ก่อนวางรากสร้างโลกแต่เมื่อพระเยซูได้เสด็จมาพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงพระสัญญาั้นเกิดขึ้นตามคำตรัสของพระเจ้าเสมอครับแต่เมื่อพระเจ้าตรัสกับงูว่าพงพันของหญิงนี้จะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทาให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ หลังจากนั้นพงพันที่พระเจ้าเลือกสรรก็ส่งผ่านไปจนถึงอับราฮัมส่งผ่านต่อไปถึงกษัตริย์ดาวิดและเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระเยซูไอพงพันนี้เองเป็นพงพันที่ให้กำเนิดพระเยซูนำพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อะครับในเช้าวันนี้วันฉลองชัยวันที่พระเยซูชนะแล้วเราจะชนะพร้อมกับพระเยซูไหมครับเราจะเป็นพงพันที่นำข่าวประเสรศิฐ ไปถึงคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วหรือเปล่าเราจะทําหน้าที่ของเราในการที่จะมีชีวิตที่ชนะแล้วและนาความรักนาคำสัญญานาความรอดไปถึงและเราเป็นพงพันที่พระเจ้าเลือกสรร น, นะครับเป็นพงพันอมตะเป็นพงพันที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วล่วงหน้าหลังจากที่พระเยซูมาเรากลายเป็นประชากรของพระเจ้า เพราะเราเหตุที่เราเชื่อไว้วางใจในพระองค์ในเหตุที่การที่พี่เยซูส่งสิ้นประชนเพื่อเราบนไมก้กางเขนนี่คือความหมายของกางเขนที่ว่างเปล่าเราจะเห็นสิ่งว่างเปล่าอันที่สองครับอุโมงค์ที่ว่างเปล่าอุโมงค์ที่ว่างเปล่านั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งชัยชนะแล้วซึ่งความตาย เม <Yes> ื่อพวกผู้หญิงเดินทางไปที่อุโมงค์ส um> ิ่งที่เขาพบก็คือก้อนหินหนักประมาณสองตันถูกกลิ้งออกเมื่อเช้ามีพี่น้องถามผมว่าทำไมต้องกลิ้งก้อนหินออกแล้วใครเป็นคนกลิ้งผมตอบว่าที่ต้องกลิ้งก้อนหินออกเพื่อที่จะให้พระเยซูออกมาได้หรือเปล่าครับจริงๆพระเยซูเนี่ยไม่จเป็นที่จะต้องมีก้อนหินขวางไว้นะครับแล้วพระเยซูจะออกไม่ได้แต่ที่ ก้อนหินถูกกลิ้งออกเพื่อให้เราเข้าไปได้เพื่อให้เราเข้าไปได้เพื่อให้สาวกของพระเยซูจะเห็นว่าในอุโมงนั้นว่างเปล่าครับเพื่อให้เห็นว่าพระเยซูทรงชนะแล้วซึ่งความตายและก้อนหินนั้นไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเป็นขึ้เหนอือความตายได้และพี่น้องครับใครเป็นคน กลิ้งก้อนหินออกครับด้วยมนุษย์ธรรมดาก็คงจะต้องใช้คนเยอะและด้วยการควบคุมการดูแลของทหารโรมันซึ่งถูกฝึกวินัยมาเป็นอย่างดีนะฮะหลับยามไม่ได้ถ้าหลับยามแล้วโทษหนักเป็นไปได้ไหมครับที่อยู่ดีๆสาวกจะมีมีคนมาขโมยพระศพพระเยซูได้มันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้มีแต่ทูตสวรรค์เท่านั้นที่จะกลิ้งก้อนหินออกจากปากโอ่ง และการอัศจรรย์เกิดขึ้นและให้สาวกของพระองค์เข้ามาในอุโมงค์เพื่อที่จะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นป้าวพีบอกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วนี่คือเสียงของทูตสวรรค์ที่บอกกับสาวกของพระองค์พี่น้องครับคงเป็นไปไม่ได้นอกจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นเหนือความตายอุโมงค์ที่ว่างเปล่านี้ทําให้เราเห็นถึงชัยชนะของพระเยซูเหนือความตาย และมีวันหนึ่งเราจะมีชัยชนะเหมือนอย่างที่พระองค์ชนะความตายมีชัยเหนือพระเยซูก็หาไม่และความตายที่เคยเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยาชาติทุกทคนทุกทุกเผ่าพันธุ์ทุกยุคทุกสมัยเวลานี้แม้มนุษย์จะไม่เคยเอาชนะมันได้แต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงชนะแล้วผมอยากจะยกตัวอย่างจินซีฮ่องเต้ตามในภาพนี้นะครับ จินซีห้องเต้ภาษาแมนดารินเรียกว่าเฉินซื่อหวงจินซีห้องเต้คนนี้เป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ประเทศจีนสั่งให้นักปราชนักวิชาการทั้งหลายในที่รับราชการของท่านนั้นสแสวงหาอาหารและยาอายุวัฒนะกินแล้วจะไม่ตายกินแล้วจะมีอายุยืนนานแต่ในที่สุดเขาก็หมดหวังครับจึงไดสง้สร้างกองทัพมหอมาหลังจากที่รวบรวมรัฐ ต่างๆเข้าเป็นเอกภาพแล้วจินซีฮงเต้ก็เริ่มสร้างวังเอ๋อผางและสุสานลี่ซานที่งามสง่าหลายท่านคงจะเคยไปเยี่ยมชมสุสานนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งกลัวความตายมากขึ้นเท่านั้นแปลกนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจยิ่งคนที่มีความร่ำรวยยิ่งคนที่ทประสบความสาเร็จยิ่งมากเท่าไรกลับกลัวความตายมากขึ้นเท่านั้น พระองค์พยายามเสด็จประพาดดินแดนต่างๆเพื่อเสาะหาอายุวัฒนะเพื่อจะได้พบเซียนที่เป็นผู้สำเร็จตามลัทธิเต๋าที่เชื่อกันว่าเซียนเหล่านี้จะเป็นผู้วิเศษสามารถใช้เวทมนตร์คาถาหรือให้ยาอายุธนะให้พระองค์ไม่แก่ชราหรือสิ้นอายุไขแต่การกระทำเช่นนี้ของจินสีฮ่องเต้ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งกาลังทรัพย์และกาลังคนและไม่สามารถทาให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาวได้ แต่กลับเพิ่มความทุกยากลาบากกับประชาชนในที่สุดจินซีฮองเต้ก็ป่วยหนักและสำนักคตลงในปี2010ก่อนคิเตสกราชนี่เป็นตัวอย่างของคนที่อยากอายุยืนและไม่ตายอยากจะเอาชนะความตายให้ได้แต่พี่น้องครับเราจะชนะแล้วซึ่งความตายเราจะมีความมั่นใจยิ่งกว่าจินซีฮองเต้เพราะเราจะไม่กลัวตาย เรามีวันหนึ่งเราจะชนะความตายเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงชนะความตายเพราะอุโมงค์ที่ว่างเปล่านี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องเข้าไปในอุโมงค์ที่ว่างเปล่าหลายลายท่านเคยไปเที่ยวอิสราเอลเราเข้าไปอยู่ในอุโมงค์นะครับที่ว่างเปล่าและทุกคนก็ได้เห็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าคงจะเป็นที่วางะสบของพระเยซูที่นั่นแต่ก่อนที่ คนจะออกมานะครับพี่น้องที่เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่เนี่ยจะออกมาเนี่ยเราต้องกล้มศีรษะลงแล้วเข้าไปแต่ก่อนที่จะออกมาที่ด้านในนะครับมีป้ายป้ายหนึ่งเขียนอย่างนี้ครับว่า He is not hereHe is risen พระองค์ไม่ทรงประทับอยู่ที่นี่แล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนี่คือชัยชนะของพระเยซูบนแมงคเขน He is not here but has risen. นี่คือสิ่งที่บันทึกไว้อยู่ในพระคำของพระเจ้าลูกาบทที่24ข้อที่5และข้อที่ 6. เพี่ะงั้นครับผมอยากจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อฟิลิปเขาเป็นเด็กพิการทางสมองเรียนไม่ทันเพื่อนเวลาอยู่ในชั้นเรียนร่วมกับเด็กปกติก็มักจะทำอะไรเป่นๆอยู่เสมอถูกเพื่อนล้อเรียนในช่วงเทศกาลใกล้อีสเตอร์นั้น คุณครูระวีก็ได้ให้การบ้านนักเรียนทุกคนรวมถึงฟิลิปด้วยว่าให้ไปหาไข่พลาสติกไข่พลาสติกเนี่ยแกะได้พี่น้องเคยเด็กๆนะครับรุ่นของผมเนี่ยยังมีไข่พลาสติกที่เล่นกันอยู่แล้วก็แกะออกมาได้ข้างในจะมีของเล่นนะครับเด็กๆ ก, ก็ได้รับนะครับไข่พลาสติกไปหาไข่พลาสติกมาและคุณครูบอกว่าให้นาของเล็กๆหาของเล็กๆที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิต นะครับสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่มันเล็งหรือสื่อถึงชีวิตชีวิตนะแล้วก็เอากลับมาในวันอีสเตอร์โดยที่ปิดไว้อยู่ในไข่พลาสติกนี้ฟฟลิปนะครับเขาไม่เพียงแต่สมองไม่ดีแต่ยังมีโรคประจําตัวป่วยออดออแอดแ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อสุขภาพร่างกายเขาไม่ดีเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแต่ก็รอคอยวันอีสเตอร์มาถึงเมื่อวันอีสเตอร์มาถึงเด็กระวีทุกคนก็ โชว์นะครับไข่พลาสติกของตัวเองแล้วแกะออกมาบางคนก็มีของเล็กๆนะครับเช่นต้นหญ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตนะครับหรือบางคนก็ไปเก็บแมลงตัวเล็กๆนะครับแล้วใส่เข้าไปในไข่ตอนเช้าแล้วก็นำมาให้ครวัวเีบางคนก็ไปเก็บตัวหนอนนะครับบางคนก็ไปเก็บผีเสื้อตัวเล็กๆใส่เข้าไปอยู่ในในไข่แล้วก็นำมาให้ครวัวเวีทุกคนนั้นก็มีมีสิ่งที่ เป็นสั ญ, ญลักษณ์สัญญาณของชีวิตนะครับแต่ปรากฏว่าฟิลิปแกะไข่พลาสติกของตัวเองออกมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆต่างก็หัวเราะย่อฟิลิปแต่บอกว่าเนี่ยทำไมของแกไม่มีอะไรเลยนะครับคุณครูก็ถามว่าทําไมไข่พลาสติกของหนูเนี่ยจึงว่างเปล่าละ่ะลูกฟิลิปทําไมทําไมไขพ่พลาสติกของหนูเนี่ยจึงว่างเปล่าละ่ะ ฟิลิปตอบว่ามันว่างเปล่าเพราะว่าวันนั้นอ่ะอุโมงค์ของพระเยซูก็ว่างเปล่าไม่มีใครคิดว่าฟิลิปจะตอบได้ขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเยซูไม่อยู่ที่นั่นอุโมงคของพระเยซูว่างเปล่าดังนั้ น, นครับถ้าเราไปเยี่ยมอุโมงค์ที่ฝังศพพระเยซูนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะเกิดความทับใจมาก แต่วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องจะเข้าสู่จินตนาการของการเยี่ยมอุโมงเข้าไปดูในอุโมงของพระเยซูที่ว่างเปล่านั้นเราจะพบกับอะไรเราจะพบกับความว่างเปล่าจริงๆพระสพของพระเยซูไม่อยู่ที่นั่นครับแต่เราจะพบกับสิ่งที่ว่างเปล่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะบอกพี่น้องว่าการชนะความตายของพระเยซูนั้น ทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ต่อไปได้เพราะพระองค์ทรงผชนแล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพราะพระองค์ทรงอยู่เราเผชิญพ่งนี้ได้นะครับอยากจะให้เราดูคลิปนะครับขณะที่ดูคลิปขอให้พี่น้องจะได้มีการภาวนาไข้ครวนเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าจึงเผชิญพ่งนี้ได้เฉชิญครับ ครับบีคอสที เพราะพระองค์ทรงอยู่เรารเผชิญทุกทีได้หลายครั้งทีเดียวพี่น้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกว่าชีวิตมันไปค่อนข้างลําบากและยากมันไปแทบจะไม่ไหวแล้วผมอยากจะให้คําคํานี้ว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วข้าพรองค์เผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพระองค์ประการที่สครับอะไรที่ว่างเปล่า ในอุโมง์เราจะเห็นผ้าพันพระศพที่ว่างเปล่าผ้าพันพระศพที่ว่างเปล่าพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะว่ายอ น, นี่นะกับเปโตเนี่ยยอนวิ่งเร็วมากนะอาจจะเป็นเพราะว่ายอนตัวเล็กกว่าหรือไงนะยอนวิ่งเร็วมากวิ่งไปถึงอุโมงค์ก่อนครับแล้วเขาก็ก้มมองดู และปรากฏว่าอุโมงนั้นว่างเปล่าพระศพของพระเยซูไม่มีแล้วก็รายเห็นและเห็นผ้าพันุ์พระศพแต่เปโต้นั้นวิ่งมาทีหลังและเปโต้นั้นไม่สนใจเล็งสิ้นเข้าไปที่อุโมงเลยครับเข้าไปข้างในเลยนะและเขาก็เห็นผ้าพันุ์พระศพเนี่ยว่างอยู่แต่จริงแล้วในหลายๆภาพที่อยู่ในภาพยนตร์นี่นะครับก็ไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าคือ การที่ผ้าพันผสบว่างเนี่ยนะครับก็เหมือนกับพี่น้องเห็นภาพนี่นะครับก็คือผ้าพันผสบเนี่ยนะครับก็จะพันไปทีละทบทีละทบทีละทบแล้วก็วางพวกมดยออวางพวกเครื่องเทศเครื่องหอมเนี่ยวางไปนะครับแล้วก็ทบเข้าไปทบเข้าไปทบเข้าไปทบเข้าไปทบเข้าไปนะครับทบกันจนกระทั่งคล้ๆกับมัมมี่ครับ การที่พระเยซูปเป็นขึ้นจยวความตายเนี่ยพระเยซูไม่ได้ลุกขึ้นมาแบบมัมมี่แล้วก็ค่อยๆถอดนะฮะไม่ใช่นะครับนะเปล่านะครับแต่พระเยซูเนี่ยครับคือพูดง่ายว่าแปลงร่างของพระองค์เนี่ยอันตรทานหายไปนะครับโดยที่ผ้าพันผสบแล้วก็ผ้าพันศีรษะของพระองค์เนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมครับยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กล่องไว้อย่างนั้น นี่คือการอะไรครับเหมือนกับตัวดักแด้นะครับออกจากที่ที่คลุ่มของมันนะครับอันนี้คือสิ่งที่พัดคมภีได้ยืนยันและนักวิชาการก็ได้ให้ความหมายนะครับว่าศพของพระเยซูเนี่ยมันหายไปเฉยนะครับเป็นเครื่หมืยความตายคืออันตรธานหายวับไปแล้วก็เป็นเครื่อความตายเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือว่าก้อนหินเนี่ยครับไม่สามารถ ยับยังโพร่งได้แต่ก้อนหินถูกเปิดออกเพื่อที่จะให้เราเข้าไปท่านเองครับและเข้าไปเปโตเข้าไปนะครับในที่สุดพวกผู้หญิงก็รู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นเหนยอความตายจริงๆเหมือนภาพพันุประสพที่ว่างเปล่านั้นเป็นชัยชนะของพระเยซูนะครับชนะแล้วซึ่งความเสื่อมความเก็บป่วยเพื่อที่จะได้กายใหม่ครับพี่น้องเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์เพอร์โนได้แบ่งปันเทส น, นะครับว่าเราจะมีกายใหม่ พี่น้องครับผ้าพันพระสบที่ว่างเปล่าทำให้เรามีความหวังใจเรามีความหวังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะมีร่างกายที่เหมือนกับพระเยซูตามพระสัญญาเป็นร่างกายที่มีกระดูกนะครับมีเนื้อหนังนะครับและเป็นร่างกายที่สามารถรับประทานอาหารก็ได้ไม่รับประทานก็ได้นะครับเดินไปก็ได้และหายตัวก็ได้และสามารถที่จะเดินผ่านนะกำแพงประตู หรือห้องใดๆก็ได้นี่เป็นพระกายของพระเยซูซึ่งเราจะได้รับพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราเห็นภาพพันปผาศพที่ว่างเปล่าเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าพระเยซูชนะแล้วหลา ย, ลยท่านเวลานี้มีความเจ็บไข้เดรุยหลายท่านบางท่านไม่สามารถมานมานัสการได้บางท่านนั้นอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตพี่น้องครับ ภาพันประสบนี้ทําให้เราคิดถึงสภาพร่างกายใหม่ที่เราจะได้รับจากองค์พระวิญญาณและสภาพร่างกายนี้จะเป็นสภาพร่างกายที่อมตะเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทรงเป็นและเหมือนอย่างที่ท่านอคาซูเ ป, ปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สามข้อยี่สนะครับขอเชิญ อ, อ่านพร้อมกันครับพี่น้องครับแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ําต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยริธานุภาพซึ่งทําให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อํานาจของพระองค์บัทิติสามนะครับพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ําต้อยกายที่เราเจ็บป่วยกายที่เราไม่สบายกายที่เรียกว่าสังขารที่เราจะต้องทิ้งอยู่ที่นี่เป็นกายที่ คาดการล่วงหน้าไม่ได้ว่าวันไหนจะเป็นอะไรวันไหนจะไม่สบายท่านอาจารย์เพลินเนี่ยบอกว่าเส้นเลือดของเรานะพระเจ้าก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เหมือนกันคนที่ตีบคนที่ตันคนที่แตกพระเจ้าก็จะเปลี่ยนให้ใหม่คนที่มีสมองที่ไม่ดีพระเจ้าก็เปลี่ยนให้ใหม่คนที่มีร่างกายที่ไม่สมประกอบไม่แข็งแรงพระเจ้าก็เปลี่ยนให้ใหม่ พี่น้องครับนี่คือกายอันต่ำต้อยที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนให้เป็นพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์พี่น้องครับฮาเลลูยาอาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรารอคอยกายใหม่นี้เหมือนกับสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเขาก็ขําครวนที่จะได้เข้าสู่สภาวะนี้เหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับในอุโมงค์ที่ว่างเปล่าเราเห็นภาพพันประศพที่ว่างเปล่าทาให้เราคิดถึงกายใหม่ของเรา กายของพระเยซูพระกายของพระเยซูแล้วทำไมรู้ว่าเรานั้นเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับพระพีบอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์หลายลคนมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เหมือนกับว่าจะอยู่ตลอดไปเตรียมข้าวเตรียมของเยอะแยะมากมายนะครับโดยไม่คิดว่ามีวันหนึ่งจะต้องจากไป เหมือนกับเศรษฐีที่พระมีใช้คําว่าเศรษฐีโง่เขาเตรียมทุกอย่างในโลกนี้ครับจะมีวันหนึ่งเขาจะนั่งลงและมีความสุขแล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะมีความสุขเสพสุขกับสิ่งที่ฉันหามาได้ตลอดชีวิตแต่พระเยซูบอกเขาว่าไงครับในคืนวันนี้เจ้าจะจากของสิ่งเหล่านี้ไปการต่าต้อย สามารถจากโลกนี้ไปได้ตลอดเวลาสามารถเจ็บป่วยได้ตลอดเวลาสามารถมีความทุกข์ยากลําบากได้ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเห็นผ้าผันพระสพที่ว่างเปล่าเราเห็นว่าพระเยซูชนะแล้วและเราทั้งหลายจะชนะตามพระเยซูไปด้วยครับสุดท้ายครับผมอยากจะเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองที่ยังไม่จบที่ฟิลิปปินส์ขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นนะครับประกาศยอมรับความพ่ายแพ้จกพักรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประกาศยอมรับความพ่ายแพ้แล้วสหรัฐก็เข้าไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าที่ฟิลิปปินส์ครับยังมีการสู้รบอยู่ยังมีกองพันอยู่กองพันหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่รู้ครับว่าเขาประกาศนะครับชนะสงครามประกาศยอมรับแพ้สงครามไปเรียบร้อยแล้วเขายังสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่จนกระทั่งเลยครับ จนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับกองทหารของอเมริกันและของสัมพันธิบิษเนี่ยได้บอกว่าพวกแกแพ้แล้วรู้ไหมพวกเขาบอกว่าอะไรครับยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เพราะเขาถูกถูกตัดขาดออกจากจากการสื่อสารนะครับและเขาก็สู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยๆชีวิตของพวกเราบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าพระเยซูชนะแล้วเราไม่รู้ว่าพระเยซูชนะแล้ว แล้วเราก็คิดว่าพระเยซูชนะก็ชนะไปสิเป็นเรื่องของพระองค์แล้วเกี่ยวอะไรกับข้าพเจ้าด้วยผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราต้องชนะตามพระเยซูครับถ้าเราเดินเดินชีวิตตามพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูชนะแล้วเราจะมีชีวิตที่ชนะแล้วด้วยเหมือนกันเพราะในเช้าวันนี้ครับพี่น้องถ้าท่านรู้สึกหรือว่าท่านมีความความเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชิตของท่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขอให้มั่นใจว่าพระเยซูทรงชนะแล้ว เปียสูทรงชนะความตายแล้วและนี่ชัยชนะของพระองค์นั้นเป็นชัยชนะที่ทําให้เราชนะด้วยพี่น้องจะร่วมกระบวนชัยชนะกับพระองค์ไหมครับพี่น้องอยากจะเดินไปกับกองทัพที่ชัยชนะไหมครับและนี่ครับคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะครับในข้อที่ยี่สิของพระธรรมหนึ่งโครในบทที่สิบห้าได้บอกว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นข้ามจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะคนคนเดียวเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นเหนือความตายก็อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นนี่คือพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นเหนือความตายและเป็น ผ, ผลแรกเราจะเป็นผลที่สองที่สามที่สี่ต่อจากพระองค์หรือเปล่าคำตอบอยู่ที่เราพี่น้องครับเราจะต้องมีพิมพิวข้อหนึ่งครับเราจะต้องมั่นใจได้และ ไม่เพียงแต่มั่นใจเราต้องมีความศรัทธาและมีความหวังอย่างแท้จริงเพราะว่าพระเจนะของพระเจ้าในตอนหนึ่งข้อ19นะครับถอยหลังกลับไปที่ข้อ19นี่จะพบว่าอย่างนี้ครับท่านอัครครูเปาโลเขียนไว้นะครับด้วยเรกีกว่าเป็นเรื่องจริงจังมากเลยนะครับบอกว่าถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในปฐตีมีแต่ความหวังเท่านั้นไม่เป็นความจริงนะฮะนะพระเยซูเป็นขึ้นความตายไม่ได้เป็นความจริงเป็นเพียงแต่ ตำนานนิยายปรามปราที่ทำให้คนศรัทธาแต่ถ้าว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับท่านอักครูเปาโลบอกว่าเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวช ท, ที่สุดในบรรดาคนทั้งหลาย เ, เพราะเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครครับเพื่อพระเยซูผู้ทรงเป็นขึ้นเหนือความตายเรายอมถวายตัวเพื่อใครครับเพื่อพระเยซูที่เป็นอยู่ความตายนะครับเรายอมถวายทรัพย์ นะครับเรายอมถวายชีวิตอุทิศให้กับพระเยซูเพื่ออะไรครับเพื่อพระเยซูที่เป็นขึ้นเหนือความตายและเพราะพระองค์เป็นผู้มาเยือนความตายพระองค์ทรงอยู่และข้าพองค์เผชิญวันพรุ่งนี้ได้พี่น้องครับ empty นะครับ empty cross กางเขนที่ว่างเปล่า empty tomb อุโมงค์ที่ว่างเปล่า empty cloth นะครับผ้าปันประสบที่ว่างเปล่าและพระเยซูทรง เอ็มที่ himself พระเยซูทรงทําให้ตัวเองว่างเปล่าครับเพื่อชัยชนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ตัวเองว่างเปล่าเหมือนพระเยซูเราจะต้องไม่เราต้องเราไม่ต้องจมปรักอยู่กับการช่วยเหลือตัวเองอีกต่อไปพึ่งพาตัวเองต่อไปหรือพึ่งพาคนอื่นแต่เราจะพึ่งพาในพระเจ้าผู้เป็นเสีมีความตายอามีน